โอกาสเกี่การมพรึ่ปฏิบัติของราตีที่สี่แล้วก็ให้นักปฏิบัติทั้งหลายตงตั้งสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยในชีวิตเราเนี่ย มีโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นนั้นกำลังหลักอาจจะฝันร้ายก็ได้บางท่านก็กำลังทำงานบางท่านก็กำลังป่วยไข้ทุกเขเวทนาอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบบางท่านก็กำลัง เป็นทุกข์ร้องหผมร้องไห้ในขนาดนี้ก็เป็นได้ไม่เหมือนกับพวกเราในขนาดนี้พยายามเข้าไปในใจของตัวเองหายใจลึกๆแล้วค่อยผ่อนหายใจออกยาวๆสัก3คกัง หายใจเข้าออกและาคลายลมหายใจจากท้องเราเนี่ยให้มันแห้งสบายเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าเรานั้นไม่เคยมีสติในการอยู่ในองค์ภาวนาอย่างนี้เรานั้นฝืนจิตฝืนกายของเรา เวลาฝืนจิตฝืนกายฝืนความรู้สึกมันมีความขัดแย้งในร่างกายและจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวปกติเราก็อยู่กับอิเลกก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของเรานั้นแปรปรวนตามสภาพที่ตามมองเห็นหูได้ยินปากได้ริมล๊ ได้สัมผัสถูกต้องแต่ในขณะนี้เราได้ฝึกฝืนในวัตถงสติสติก็คือความรู้ตัวว่าเราจะมีความรู้สึกมาฝึกมาฝืนเหมือนเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะพยายามฝึกสัตว์ตัวนั้นเนี่ย ให้ปฏิบัติตามเราเราถึงจะพึงพอใจและปัทนาในศักด์เดียงนั้นว่าฉลาดนั้นและวานารักษ ด, ด้วยการที่เราวัตารัก์คนอื่นวันาปึกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วาตาปึกลูกของตัวเองปึกสามี สอนคนนั้นสอนคนนี้เช่นอาชีพของคนเป็นครูอาจารย์ทั้งหลายในรังเรียนหลักการวิชาการหลักสูตรทั้งหลายที่สอนต่อต่อกันมาหลักการเรียนการรู้เนี่ยการรู้ที่เราเรียนอยู่เนี่ยจดจำมันทุกวีทุกวันพอกระเป๋ามันทุกวันเนี่ย มันไม่รู้เท่าการที่เรารู้ตัวเราเองก็คือการใช้ชีวิตนั่นเองพพระพุทธเจ้าใช้หลักธรรมธรรมก็คือธรรมชาติเอามาสอนเรามาบอกเราว่าเราควรจะจดจำความรู้สึกก็คือสตินั่นเองจดจำตัวเองว่าเราเกิดมาเนี่ย ในขณะที่เราเกิดเนี่ยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยเขาเศษกามกันก็เรียกว่าพ่อเขาขี่แม่เราก็าเหมือนคนที่มีภรรยาสามีเนี่ยจะขี่กันจนหัวงอกคันหักตามบอดหูหนวกอยู่อย่างนั้นแหละี่ ก, ก็จนแก่คนเฒ่าจนไม่มีกำลังจะขี่แต่ว่าใจมันเนี่ย จะย่างผูกพันเอาแนวรักตราตึง้งซึ่งกันและกันก็คือการผูกติดยึดติดกันนั่นเองต้นเหตุแห่งความเจิบหายที่มันเกิดขึ้นคือการเวียหว่ตายเกิดนั่นเองงารเวียนว่าตายเกิดเนี่ยมันเปรียบเสมือนสติของเรานั่นเองเมื่อสตินี่มันก็วกไปเวียนมา เป็นธาตุของหูของตากรกว่านิ้หอทั้งห้ามนเองมนุษย์เนี่ยก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลังเลสงสัยเกิดความนึกคิดปงแต่งพระพุทธเจ้าต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมโนนะมโนใช้คำว่ามโนธรรมพักมโนก็คือการคิดปงแต่งฟุ้งซ่านมันเองการยึดติด หกติ่งต่อสภาวะที่ไม่เป็นความจริงก็คือตัวเรานี่แหละไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าเหตุจะมันเกิดจากหรือสาเหตุจะมันเกิดจากอะไรพมื่อเรามีมานะทิฏฐิถืถอตัวถือตนจะเอาชนะเราจะเอาชนะกิเลสเนี่ยก็ต้องชนะตัวเองเหมือนในขณะนี้ มยยามกำหนดรู้ยิ้มให้กับตัวเองไว้ตอนนี้เราต้องรักตัวเองแล้วอย่าเบื่อตัวเองอย่าอิจฉาตัวเองมีต่อิจฉาคนอื่นแต่ในขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายิ้มเข้าไว้ยิ้มไม่ในใจเพราะเรายิ้มในใจเนี่ย จิตที่แข็งกระด้างที่เราไม่เคยรู้ใจไม่เคยเข้าใจตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่า <c oughs> อึดอัด ก, <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าเรามาฝ้กตัวเองมาฝึก ต, ตัวเองเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเมื่อก่อนเนี่เราเป็นสัตว์มนุษย์จิตมันตกอยู่ในอบายวะผูพวงของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ที่เขานิยมชงจงชอบเป็นลัทธิเป็นกรอเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมกันมาเลยว่าพ่อแม่จะต้องสอนลูก ว, ว่าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นเด็กฉลาดลต้องเรียนยให้ได้ที่หนึ่งปลูกังกันมาเมื่อเติบโตแล้วพ่อแม่ก็จะได้หาผัวหาเมียให้ ไม่รู้เลยว่าเราก็ประคองประครับนะด้วยอำนาจของกิเลส ข, ของการลาคะปัญหาราคะทั้งหลายเนี่ยมันครอบงำจิตใจตั้งแต่ปู่ยาตาทวดมาแล้วมันมองไม่เห็นความตายจากความดีไปมันมองเห็นกิเลส เ, เป็นที่น่ายินดีแล้วก็นับถือ คนที่เห็นกิเลสเนี่ยน่ายินดีและนับถือเนี่ยน่าจะดำน่าจะดำแล้วก็หูเนี่ยก็จะห้อยด้วยเครื่องประดับพวกนี้จะเอาอะไรเป็นเนบเนบซ่อนซ่อนอยู่ตาเนี่จะพยายามเอาสีมาโปะมาป้ายเหมือนสัตว์ต่างๆ่าาก็เช่นเดียวกัน ปะก็เอาสีนั้นสีนี้มือเท้าเนี่ยก็จะต้องทาสีนั้นสีนี้ทําเหมือนเงีย่ยต่กายคือทาเหมือนกับเสื้อที่มันซ่อนไว้เอาไว้เล็บเอาไว้หนวดเอาไว้เขาเอาไว้ทรงผมสีนั้นสีนี้ทรงนั้นท่งนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นจออัญชริยะ เป็นอาณยบุคคลที่ประเสริฐแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วท่านกลยให้ผมผมเนี่ยมันเป็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียกว่าเหมือนเส้นบะหมีเลยมันมากที่สุดก็คือผมเรามีแหละครับผมครับผม ผมเมันอยู่บนเีษนสาส้นากก็คือการคิดและก็จดจำสมององเรามีสองอย่างด้านซ้ายด้านขวางานนึกคิดเนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยในตัวเราเนี่ยมากที่สุดก็คือเส้นผมเราเส้นผมเนี่ยมันก็มีลากลากผม เป็นลูพุ่ไปหมดหัวเราเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงมีความคิดหลากหลายไอ้ความคิดเนี่ยมันก็เกิดจากทางตาเนี่แหละเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยมันก็ส่งไปที่สมองไอ้สมองมันก็ส่งไป เข้าไปใจิตใต้สำนึกของเราไอจ้จิตได้สำนึกเราเนี่ยมือนก็นึกปรุมแต่งไปเพราะเราเป็นเหมือนคนบ้าเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเรียกว่าสัตว์มนุษย์ที่ยินดีก้นหินก็คือทองนี่แหละทองนี่มันก็เปลี่ยนเป็นแร่ธาตุที่มันหายากแต่เอาแร่ธาตุที่บุกมา เอากระดาษเอาอะไรที่ปงแตกขึ้นมาเป็นกระดาษเป็นเงินเป็นทองสมมติว่าเป็นแบงค์พันแบงห้าร้อยเป็นเพชรนิลจินดาเขเหมันก็มาจากแร่ธาตุนักปฏิบัติทั้งหลายลองนึกเข้าไปเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีหูมีตามีจมูกมีลิ้น ม, มีกายมีใจ มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยวันถุพันธ์ก็คืออาหารเมื่อเรามีอาหารเนี่ยเรามนุษย์ยังถูกพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเสื้อผ้าอ้าอนหมอนมุม้งพัฒนาการเป็นอยู่การกินเนี่ยก็มียารักษาโรคต้องกันโรคเรียกว่าสุขลักษณะ มีอนามัยการหุงต้องการทําความสะอาดร่างกายรู้แต่เป็นการนิวัพัฒนาการจากวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยก็คือธรรมชาติตนเองเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาจากตัวเองะเด็กมนุษย์เนี่ ย, ยเรียนรู้มาจากสาัตว์ อย่างเช่นเขาสร้างเครื่องดินเนี่ยหรือใช้อาวุธที่รุนแรงในอเมริกาเนี่ยเขากนกเหยื่อมาเอามาเลี้ยงแล้วก็ด้วยสัญชาติญาณของความเป็นนกเหยื่ยวเป็นนักล่าเนี่ยในจังหวัดที่มันโฉบเฉี่ยวเนี่ยมันทิ้งน้าหนักความเร็วไวเนี่ยพยุคเฉื่นี่ยมันไม่ได้มีความแรงอยู่ที่ปลายเล็ มันเป็นการทิ้งน้ำหนักลงมาแล้วก็เล็บเนี่ยจะแทงเข้าไปในเนื้อหนังสันตุด้วยแรงกระแทกแในขณะที่มันกระแทกลงมาเนี่ยไอเจ้านกเนี่ยทำไมมันไม่เป็นไรก็คือโครงสร้างเนะขาศึกษาโครงสร้างของนกนกเหยี่ยวนกอินทรีย์เนี่ย ในขณะที่มันล่อนมันพิ้งตัวทิ้งน้ําหนักลงมาเนี่ยมันจะกลางเล็บออกมาแล้วก็เกรงแล้วก็กระแทกเข้าไปเองเนื้หอหนังสัตวรเหมือนเราเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยมีก้อนหินมากระแทกหรือมีรถมาชนเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยแรงกระแทกอั้นนั้ น, นจะทําให้กระดูกหรือ บางส่วนของเราเนี่ยแข็งไม่พอในกระดูกแตกแล้วก็หนังจีกเนื้อจีกจะเหมือนเจ้าเหี่ยวเนี่ยอเมริกาก็ใช้ความเร็วของการทิ้งตัวน้องทวงนและแรงกระแทกเนี่ยเอามาสร้างอาวุธเอามาสร้างอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนที่คิดได้นึกได้ แต่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าสร้สติเรียกสติของความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองเราเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติก็เกิดจากสัตว์จากการใช้ชีวิตของเรา น, นเองอันนี้ขณะการใช้ชีวิตของเราเนี่ย เรามักจะไปเรียนรู้จากคนอื่นคือมองเห็นนั่นเองแล้วหูได้ยินที่เขาพูดกันว่าไปทาไอ้นั่นไปทาไอ้นี่แล้วมันจะร่ำรวยมีความสุขลองถามความรู้สึกของตัวเองว่ารวยที่สุดเนี่ยเราจะรวยไปทำไมแต่ลองนึกดูสิ ปัถนาสุขที่สุดเนี่ยอะไรเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขที่สุดเคยสัมผัสมั้งหรือยังแต่องค์สมมาสัพพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าสุขกเรื่ตัวกันยึดไม่ได้เหมือนในขณะนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติมีความรู้ตัวว่าเราจะไม่ยึดอารมณ์อะไรเนี่ยในความคิดของเราในขณะนี้เนี่ย เกินความอยากได้บ้านได้รถได้เรือแก่แหวนเงินทองลูกผัวสามีความรักความยินดีต่างๆในขนาะนี้เราไม่พัฒนรามทำจิตใจของเราเนี่ยให้ว่างเปล่ายิ้มเข้าไ้มองเห็นใจตัวเองว่าโ อ, โอโนาเองไม่ได้กินอะไรเลย อินแต่ความคิดตงแต่งคิดไปตรปบีบหัวใจเหมือนกับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันทำงานเต้นมาตั้งแต่เกิดเป็นตุกตุกตุกตุกโดยการที่เรามีชีวิตอยู่ไอหัวใจนี้ก็มีหน้าที่สูงหีน ร, รอหินเนี่ยก็คือเลือเดเียไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ก็เหมือนปั๊มาทำงานตลอดเวลาเครื่องเลยมันยังไม่ไหวเลยคุณโยมมันยังพังเลยนะเ ค, เครื่องนี้มันก็ต้องโศกได้ยินแม้เสียงพึบเยมันก็ต้องกินน้ำมันมีการเผาผลาญก็เหมือนเราเหมือนกันเราก็ต้องทานอาหาร แต่เครื่องเนี่มันก็ทานอาหารมาจากอะไรซากพืชซากสัตว์ที่มันทับถมกันเป็นตะกอนหม ก, กันมาหลายร้อยล้านล้านปีที่ก็สุกน้ํามันดิบขึ้นมาในมันดําเหมือนน้ามันกิโลเนี่ยขึ้นมาเอามากลั่นบางส่วนก็เอาไปเป็นพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติก บางส่วนที่มันแย่มากก็เอามาลาดยางทำถนนบางส่วนก็กลั่นเอาที่บริสุทธ์ใสออกมาก็มาเป็นน้ำมันน้ำมันก็มีหลายเกจเกเอบ A, B, C, ีซีก็วางไปก็เหมือนกันแก๊สก็เช่นเดียวกันก็ทับโถมาจากสรา้างคื่องสร้างสถที่มันล้มทับตายกันมาเนี่ย เป็นด็กดังันเป็นร้อยหลายๆรลอยๆ ย, ย, ยล้านปีก็เหมือนชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเราได้เกิดขยันเกิดขยันแก่ขยันเก็บขยันตายเรามันเป็นคนโง่ที่ขาดสติเหมือนคนบ้ายังยินดีอยู่ ยังยินดีดูความรุกความรูมร้สึกเฉยว่าอันนี้ได้ทองก็คือหินแรกท่านเอามาใส่คอดูเหลืองอลางคนมองเห็นเนี่ยก็โอ้คนนี้รวยนยมันรวยมากวันนี้มีมุกมีแก้วมีแหวนเพชร มีรถ ด, ดีๆขี่มีบ้านหลังใหญ่ๆมีเครื่องประเทนโฉมมีน้ำหอมขวดหลายหมื่นบาทมีอาหารดีๆมีภาชนะโอ้ยเรามันเขามันรวยภาชนะมันก็มาจากหินเรามีแหลนะหินดินดานเอาดินเนี่ยไปเผาแล้วก็เคลือบ เป็นยีห้อสีนั้นสีนี้เอาหินเซลมิกเนี่ยไปเผาความร้อนสูงกะละลายมาแล้วก็อัดเป็นบล็อกเป็นลูกนั้นลูกนี้มาคนรวยเนี่ยมันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าหาบดีเนี่ยมันก็กินกวดกินใส มันหอกเหินเดินอากาศไม่ได้หรอกท้ายสุดรถแต่เป็นของอันนี้จังเห็นหั้ยพระพุทธเจ้าอันนี้จังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเหมือนสังขารเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงไอ้เธอหล่อทั้งหลายคุณสวยทั้งหลายเนี่ยท้ายสุดเมันต้องอะไร เ, เป็นของที่มันไม่เที่ยง ต้องแกชาา่ชราเคยเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่เราหรือเปล่าเมื่อเรามองเห็นขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบันขนาดนี้เนี่ยเราได้เคยนึกถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าโอ้โนอชีวิตคนเราเกิดมาแค่สองหมื่นวันเท่านั้นเอง จะต้องแก่ชะลาจะต้องถึงข่าวอับปางของชีวิตของสังขารล่างนี้แต่ในขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยไม่เคยเห็นใจตัวเองบ้างไหมมีตาได้เคยมองตัวเองบ้างไหมได้ทำไมมองสิ่งที่มันไกลตัวได้จะไปฟังคนอื่นที่ไม่ได้ฟังใจตัวเอง ฟังตัวเองว่าก็คือมีสติเหมือนในขนาดนี้เนี่ยเรามาพิจารณาว่าโอโนโอ้อมาหาทัางก่อนเราชีวิตของตัวเองว่ายากลำบากอึดลกเมยลรเมย ม, มันก็หนีบลงเท้าอาหายข้างหนึง่งโยมมาตังโกลว่าพักตกลดพักก็ตกลงนะมาหาเองก็ เขาทานเอาสตังเนี่ยปัจจัยเนี่ยไปเรียนนะแต่ละคนแต่ละองค์เนี่ ย, ยที่เรามาเนี่พ่อเขเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนผักป่านะที่เขาเปียบเหมือนผักที่เขาปลูกเพื่อเอาไว้จากกินพรพวกเราก็เกิดมาเพื่อ ให้มันหมดเวลาไม่เฉยๆถูกกิเลสมันกัดกินกันงไปถูกเอาเสื้อผ้า ส, สวยๆไปตะแหวงหาซื้อมาชั้ น, นอกชั้นในถูกนองลองเท้าเครื่องประิษโฉมเรื น, นลวนแต่เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเราใช้จ่ายมากเราก็ต้องตะเกียกตะกายหามาก เมื่อหาได้น้อยกว่าการใช้เนี่ยมันก็เดือดร้อนเป็นนี่เป็นสิก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยหาเงินไม่ทันใช่ว่าไปได้แต่จริงๆเราเค่อยๆนึกแปลว่าเนี่ยเราไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทานอาหารสามมือ้อนอนเต็นต่างคนต่างทำ คนดังช่วยกันทุกคนแสดงมีความน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่มันมีความมีสติมีการฝึกฝนให้สร้างคุณกับความดีรักความชัวนะ่วนมาประกอบกับดีสร้งไฟตัางมามากั น, นที่ต่างๆไกลๆด้วยเกือบจะทั่วประเทศทำไมเราไม่ขัดแย้งกัน เหรเห็นไหมแสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ธรรมแบบนี้นี่มันค้ำจุนตัวเองแล้วมันค้ำจุนโลกด้วย้ะทำให้เราในเกิดสติมีความรู้ตัวลดความต้องการไปก็คือกิเนเหล็กก็คือความโลคความโกรธของเราเนี่ยก็ลดลงไปเพราะเราไม่มีธุลกิจอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน คามอิจฉาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าบางคนมีแล้วไม่มีบางคนได้แล้วไม่ได้ก็คิดว่าคนนั้นเนี่ยรักมากกว่าคนนี้ชังกันมากกว่ามันวัดจากไหนมันวัดจากอารมณ์ที่เราคิดปรงแต่งนั่นเองเมื่อเราไม่คิดซึ่งกันและกันซะ มันก็ไม่มีตัวอิจฉามาเกิด น, นสแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการปมแท็งปมกิเหลสก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่ฝึกเหมือนเราฝึกตัวเองเนี่ยให้มีความรู้ตัวรู้ตนซะก่อนแต่การรู้เนี่ยจะต้องรู้เหตุรู้ต้นเหตุตเป็นท่าน เมื่อเรารู้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ไม่สายมันก็ไม่เกิดเหตุแล้วนีงก็เหมือนเราอยู่ร่วมกันในขนาดนี้นพี่ก็ไม่แยกกันไม่ทะเลาะเขตแดนกันการกินอยู่ก็หลับนอนนีก็อยู่ร่วมกันทั้งทั้งที่ไม่ชาพี่น้องคานตามกันมาอิเลสเนี่มันทําให้พี่น้องคานตามกันมาเนี่ย ยังเขียนข้าอาสั่ทะเลาะบอกแวงกันการยึดมั่นถือมัน่นความรักความเกลียดความจังเนี่ยก็มีการทะเลาะบอกแหวงทำลายชีวิตซึ่งกันและกันแต่ที่เราจะได้อยู่จนแกช่ชราก็มาถูกฆ่าตายบ้างถูกลดชนตายบ้างเพราะความความหวบางคนเป็น มนุษย์เกิดมาสมบูรณ์ดีนะเหมือนเราในขนาดนี้แต่กิเลสนั้นมันทำให้เราเนี่ยมัวห ม, มองเศร้าหมองมีชีวิตลันทดโศกเศร้าอาโดนเสียใจเพราะความไม่มีเพราะความอยากได้การคิดปรุงแต่งมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมัวหมองโดยที่ไม่รู้ตัว คนเราก็มีความรักมันคู่กับความชังความโกรธความเกลียดกันเองเองมื่อเราแยกรักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้เยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุขรู้ผิดถูกช่ดดีได้เหมือนในขณะนี้ที่เราฝึกตัวเราเองพยายามมองและก็เข้าใจตัวเองว่า วิถีชีวิตแต่ละคนนั้นมีความชอบไม่เหมือนกันเรียกว่าพรสวรรค์นในสมัยนี้ที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างบ้านเนลือก็ร่ำรวยก็มีบางคนขายผักบุ้งผักกระเชดผักกานาเนี่ยยอดไม้ใบญ้าเนี่ยก็รวยแต่เขารู้จักเก็บจักกินจากใช้ ทีาทำไมเขาทำอะไรเนี่ยจึงรวยเอารวยเอาก็เขารู้ตัวเองไงเขาเป็นคนฉลาดมีสติมีปัญญาเขาเรียนรู้แล้วว่าเก็บเน่ให้ได้มากกว่าใช้จ่ายคนรวยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนมัธยัตไปหยัดทางนั้นเลยในสมัยในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเจอคนที่รวยๆเนี่ย เช้าเนียยเข้าไปเหมือนนกเยี่ยงกาเลยไปแต่เช้ามืด ก, กลับก็ดึกเดิน้อเทืนรถเนี่ยถ้าจะเผาขาดร้อยางเนี่ยเสียหายในความขยันของเขาหมั่นเพียงนะเพียนพยายามพยายามทำโน่นทำนี่ให้มันเกิดความสำเร็จเราก็ามาบอกตัวเองว่านออะไรนี่มันเป็น ตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตตรงเราเรามักจะไปกาวตรงนั้นว่ามันศักดิ์สิทธิ์เป็นสร้างวัตถุมงคลเหมือนหลวงพ่อออสเนี่ยว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ค้องแล้วบูชาแล้วจะร่ำ่วยมันก็เป็นแค่ความคิดแต่เราไม่ได้มองตัวเอง ว่าเราทําอะไรเนี่ยเราพยายามติดตามเกาะติดตุกสถานการณ์ว่ากินอย่างไงนอนอย่างไรเนี่ยให้มันมีความสุขในชีวิตหลังในชีวิตมันที่เราล้อให้ใเป็นเพราะเหตุอะไรที่เราเป็นหนี้เป็นสินไม่ยเพราะว่าเป็นเหตุอะไรพางคนก็โทษว่าผัวบ้า ยวายมากลูกใช้เงินเก็บมากแต่ในขณะที่เราเกิดมาเนพ่อแม่เลี้ยงามาเ่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราเคยให้เงินทอนพ่อแม่เรา บ, บ้างหรือปล่าเรามีป่าเรื่อพ่อแม่สอนให้พูดเนี่ยเราเคยได้พูดดีกับพ่อแม่บ้างหรือป่าพ่อแม่ให้อาหารทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เราจะเริเติมเต ม, มีกำลังเนี่ยเราเคยหาอาหารให้พ่อให้แม่กินวันนึงห น, ง ห, น, ง ห, นงหนึ่งมื้อเนี่ยน้ำสักแก้วเนี่ยได้กินบันหรือเปล่ า, าจากเราเคยนอนที่นอนหมอนมุ้งของพ่อของแม่พ่อแม่จะต้องซักผ้าฮาพรปูที่หลับี่นอนพัดมียุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอ เราเนี่ได้เคยปูที่หลับที่โอนในพ่อแม่บ้างหรือปเปล่เราถามที่เป็นมนุษย์สุดประเสริฐที่นั่งอยู่นี่ยพ่อแม่ให้อาหารป้อนทรงอย่างบางคนถึงก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยๆ ค, ค, ค, คายมาป้อนลกูกเราเคยเนี่ยนาอาหาร ไ, ไปถึงปากพ่อแม่บางหรือเาเราเคยเนี่ยมีพละร ก, กําลังเนี่ย ทำงานให้พ่อให้แม่บัางหรือเปล่าสั่งพ่อสั่งแม่ว่าอย่าทำเลยทำแล้วมันเหนื่อยนะแม่นะพ่อนี่รือมันรุ่์ของท่านดีท่านว่ามีจิตใจสํานึกที่ดีเนี่ยเมื่อคนมีกำลังนะมีวาจาที่สอนมาอย่างดีก็ด่าพ่อนะ่าแม่เตียยพ่อเตียงแม่ พอพ่อแม่เรียนน้อยหน่อยพยายามส่งลูกให้เรียนสูงสืดปลูกจะได้มีวิชาติกตัวมีความรู้ถ้าได้ต่อสู้กับคนตื้นแต่กลับมาบอกบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนโง่พ่อแม่จะรู้เรื่องอะไรเรียนกันเนาะไม่รู้เรื่องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเมื่อฟังลูกอย่างนี้เนี่ยมีวัตจีกรรมเนี่ ปลูกใจว่าจริงการใช้คําพูดเนี่ยไปทําลายจิตใจจิดใต้สานึกที่คิดดีทํำดีที่จะแนะนําลูกมาตั้งแต่เล็กแต่ น, น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกปังมันฝังเราซะแล้วเราปลูกมันได้เจริญเติบโตมันกลับฝังเราฝังอะไรบังเที่ยวเล็กน้อยกว่าตัวเองฉลาดไปปลารบไอ้กับพ่อแม่จะต้องมานั่งร้องให้กับลูก คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลองนั่งถึงว่าลูกร้องปี๊ดมาเนี่ยได้หลับได้นอนบ้างไหมลูกร้องเนี่ยแม่เนี่ยจเจ็บเข้าไปในหัวใจพ่อแม่เนี่ยถึงจะทะเลาะกันเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยบาดเจ็บสักนิดหึงเนี่ยพ่อแม่ก็ใจจะขาดเลยแต่ทำไมเราต้องทำลายพ่อแม่เนี่ยด้วยคำพูด ทำไมเราเกิดนเลิศเติบโตสูงใหญ่กำยำลำส่งกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองชอบแต่ทำไมไม่นึกถึงพ่อแม่ที่พ่อแม่เนี่ยเขาได้ทานอะไรได้ยังได้กินอะไรได้ยังนั่นเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ไงเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความกระตันอยู่รู้คุณได้ยังไงก็มีประเทศเราประเทศเดียว ที่มานั่งสอนให้กรตตันยูรู้คุณนักว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่ประเสริฐแล้วที่มีพระพุทธศาสนายังไม่ค่อยมีคนทิ้งคนแก่คนชราอดูเมืองนอกเมืองนาสิพ่อแม่เนี่ยก็ปล่อยอยู่บ้านพักคนชราหมด อ, อโตได้อายุสิบสี่ถึงสิ้าสิบปกเขาก็ออกมาแลนะ้ว อยากพ่ออยากแม่พ่อแม่นั่ น, นั่งเป็นกนแก่มองกันล็อกแว๊กล็อกแวกไม่รู้ว่าจะตายวันตายกี่พรั่งไนี่มาเห็นวัฒนธรรมของคนไทยเกิดความประทับใจคนไทยเนี่ยแต่มันก็มีข้อเสียข้อดีข้อดีคือฝรั่งมันมีความเห็นเห็นแก่ได้เห็นแ ก, นนกนตัวเพราะว่าเขาต้องเป็นมนุษติดแสวงหาด้วยตัวเอง แต่คนไทยนั้นพ่อแม่จะประครับประคองป้อนแก่เท่าไหนอายุแค่ไหนก็เลี้ยงกันไปมีพี่มีน้องก็ดูแลพี่ดูแลน้องดูแลพ่อแม่ดีกว่าประเทศอื่นๆมากในโลกนี้เพราะเรามีพุทธาศาสนาที่ทำให้เรา เ, เกิดมีจิตใจตั้งมั่เรียนรู้วัฒ น, นธรรมกันมามีพระ ที่เรียนทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพวกเเหมือนกับการฝึกตัวเองในขณะนี้เนี่ยท่านมาฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยท่านจะ น, นึกว่าจะได้ออกไปแล้วจะถูกหวยออกไปแล้วจะรวยกลับไปบ้านสามีพ็จะรักเพิ่มขึ้น เราบงอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนหนูมไม่เบื่อเลยในขณะที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจดีกายดีความรู้สึกที่ดีหน้าตามยิ้มเย้มแจ่มใสจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยผ่องใสขึ้นจิตใจของเราก็รู้สึกไม่ฟุ้งซ่านมากขึ้นอาหารก็ทานน้อยลงน้อยลง นอนก็น้อยลงน้อยลงความคิดพุ่งสร้างเนี่ก็น้อยลงน้อยลงเมื่อเราทุกอย่างเนี่ยมันเกิดผ่อนเปล่าเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานน้อยลงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าช็อลดน้อยลงยกงเหมือนกับหัวใจของเราที่เคยเต้นไม่เป็นจังหวะเดเร็วบ้างเช้าบ้างเดี๋ยวก็ อึดอัดใจหายใจไม่เป็นปกติความคิดฟุ้งซ่านปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแต่ในขณะที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าเออทําไมเรามาที่นี่รู้สึกร่างกายเราเบาสบายโายครคภัยไข้เจ็บความดัความดันก็หายเบาหวานก็รอดทั้งๆ ท, ที่เราก็กินนอนตามปกติ นอนกันนอนน้อยจะด้วยซ้ำนอนก็ไม่ได้นอนติดแอร์มีมุง้งมีฟูอาหารก็ไม่ได้เป็นโรงแรมห้าดาวครับเป็นอาหารบ้านๆต่างคนต่างมีความชำนาญก็นำอาหารมาทำให้เราแบบไดไ้ครบได้ชัดเราค่อยๆนึกมองมองมองแล้วก็คิดคิดให้มันอยู่ใน ในปัจจุบันอย่าไปคิดในเรื่องของอบายภูมิอบายภูมิก็หมายถึงภูมิของเป็ดสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็ดก็คือเด็กน้อยนั่นเองเป็ดมันไม่มีเสื้อผ้าปากมัเท่าลูเข็มที่เขาจินตนาการน่ะเป็ดมันสูงมันตั้งต้นต่างเป็ดนี่มันมีทิชชิไงร้องปิ๊ติดติดก็คือเด็กน้อยนั่นเอง บางเท่ารูเข็มก็ เ, เอาเข็มแทงหัวนมดูด น, นมแม่หัวนมแม่มันมีรูเท่าท่อหน้าแปดตั้งเท่าไหรมันเล็กกว่ารูน้ำตาลอีก็ใช้เข็มยิงไฟแล้วก็เจอกลงให้รูเล็กๆเลกวลาเด็กดูดกจะได้ไม่สั่งลากไม่ออกมามากเกินไปเห็นไหมเป็ดเป็ดเลยเขาบอกกินน้ําเลือดน้ําเหลืองก็คือกินนมแม่นั่นเอง กินลมสัตว์อเป็นดนี่มันก็พูดได้ที่หนมันร้องปีดเลยถ้าหิวขึ้นมามันนึกจะขี้ก็ขี้มันนึกจะเยี่ยวก็เดียวมันไม่มีความระยเป็นดนี่มันกอะกินพ่อกินแม่เหมือนเห็บเลิงลายที่มันกินไก่กินเป็ดกินวัวกินควายแล้วอแม่ไปไหนก็ต้องหอบหิวเกอกใส่เอวใส่คอไปเป็ดมันเกอก กับเป็ดมันกินพอมันหิวพ่อแม่ก็ต้องเอาน้ำเลือดน้ำเลือ ง, น, องน้ำใสปากเรายังไม่รู้อีกเลยฟังในนิยายน้ำเน่าทั้งหลายนรกจะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสวรรค์อยู่ที่กงค์นรกมันอยู่ที่ใจนั่นเองเราได้เห็นจินตนาการว่านารกจะต้องปีนต้องยิ้วหรือจะต้อง ตอกกระทะทองแดงไครติดเหล้าก็จะต้องกอบด้วยน้ำร้อนแดงๆถ้าคนธรรมดามันกินเหล้าพอทานเหล้าเข้าไปเนี่ยมันจะหวัดเริ่องอารมณเหล้าคุยฟุ้งซ่านควบคุมสติไม่ได้คือเป็นคนบ้า น, นันเองไอ้น้ำสะอาดๆเรากินขันเดียวก็อืนจะตายนี่มันกินเจ็ดแปดขวดมันกินไปทั้งคืนทั้งวัน แต่ว่าไม่เห็นมันเป็นไรเลยมันก็ควบคุมสติไม่ได้และคนอยู่ใกล้ม น, นตกนรกมาแล้วคนบ้าขาดสติมีใครอยู่ด้วยทั้งวันเมื่คือเพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจึงมาฝึกสติสติคือความรู้ตัวแล้วก็เมื่อมีสติตก็เกิดปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร หลวงพ่อนีนรู้ในปองสังขารรู้ตัวเองว่าร่างกายของคนเหล่านั้นที่มันจะตกนรกหมกมายก็คือความทุกข์ก็คือความโรคความปวดความหลงนั่นเองความอิจฉาที่ทะยาความคุ้มสร้างองค์แต่งนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่รู้วันเดือนปีอ๋อ น, นี่คือนรกนรกนี่มองไม่เห็นดวงจัน์ มองไม่เห็นดาวเห็นเดือนมองไม่เห็นแม้แต่ตะวันเนะนี่ยคนที่ทํางานตอนนี้ยังไม่ได้หยุดเลยเนยทั้งคืนมาเนี่ยตกนรกไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วไม่รู้แจ้งลุกมืดหากินมันวันยังค่ำคืนยังรุ่งกระแทงแรลกกรนดาษแหลกแหลกท่านแต่ว่าไม่มีความสุขหัวเบียลูกเอาไปกินหมดตัวเองก็ไปนั่งเป็นยามบ้างเป็นไรบ้าง เราได้เห็นว่าสวรรค์นุษเยมันมีจริงก็คือเมืองมนุษย์นี่แหละเาลัดเจ้าช้าอย่างนี้ผกไม่รบกวนเรามากอาจจะปวดเมื่อย ก, กัน